เจ้าสลัดทิ้งของหนักลงเสียแล้วทั้งไม่หยิบฉ่วยเอาของหนักอันอื่นขึ้นมาอีกก็เป็นผู้ถอนตัณหาขึ้นได้กระทั่งร่างเป็นผู้หมดจริงปรารถนาดับสนิทไม่มีส่วนเหลือขันทั้งห้าเป็นของหนักตัวขันเองเป็นทุกข์การปรากฏขึ้นแห่งขัน เป็นการปรากฏขึ้นแห่งทุกข์เราไปยิบช่วยขันมาเป็นของเราเป็นเราเป็นอัตตาของเราจึงเป็นต้นเหตุที่ทำให้เราทั้งหมดทุกข์เกิดอะไรขึ้นกับรูปเป็นโรคร้ายจนกระทั่งแค่เป็นสิวล้วนทำให้ทุกข์ทั้งสิน้น เขาไปยึดเอารูปมาเป็นของเราเองก็เาเป็นของเขาตามธรรมชาติเราไปขโมยธรรมชาติมามันก็ทุกข์ของก็เป็นธรรมชาติอยู่เวทนาก็เป็นขันธ์เกิดเกิดดับดับเพราะมีเหตุปัจจัยเวทนาเกิดขึ้นทางกายก็ไปย มาเป็นของเราเป็นเราเป็นตัวตนของเราก็ทุกข์ไปกับเวทนาเจ็บปวดคันชาเป็นสภาพธรรมชาติก็ไปต่อเติมไปปรุงแต่งมาโอดครวนมาคล่ำครวนกลายเป็นของเราขึ้นไปอีกก็ทุกข์ไปกับมันอีกของก็อยู่ขก็ตามธรรมชาติก็ไปดึงไปปรุงแต่งมาเป็นของตัวเอง ทั้งห้าเป็นของหนักเป็นของทุกเกิดเกือบดับดับอยู่ๆก็ไปเอามาเป็นของเราซะก็เลยทุกฟรีไปจากนั้นก็ทุกไปทุกชาติทุกชาติเพอะไปสร้างเหตุเกิดให้ขันพระอริยเจ้าสลัดทิ้งของหนักลงเสีย ให้กลับมาเห็นขันทั้งหลายเป็นธรรมชาติของมันอย่าไปคว้าอย่าไปเอามาเป็นเจ้าของสลายมันออกอย่าให้มันมีกำลังเห็นปวดเกิดขึ้นก็สภาพปวดก็ปวดขันนั้นเป็นทุกข์แช่อยู่ยังไงมันก็เป็นปวดเป็นทุกข์อย่าไปดึงมาเป็นของเราเป็นเรา รู้จักจบอย่าไปต่อปวดก็จบที่ปวดอย่าไปต่อให้มันปวดของเราอย่าไปข้าครวนข้าครวนก็กลายเป็นตัวตนร้อนหนาวเย็นเจ็บคันชาให้มันจบจบจบไปตรงนี้นก็จบมันจะต่อก็กลับมารู้ลมค่อยๆฝึก พอรู้ลมจิตก็กลับมาอยู่ที่ฐานตั้งมั่นเป็นอุเบกขาไม่ออกไปเพ่นพ่านวิญญาณอยู่ที่ลมลมก็เกิดวิญญาณอยู่ที่คิดคิดก็เกิดฉายไปตรงไหนตรงนั้นก็แจ้งขึ้นมา เจวันมีตอนใช้มันก็มีอยู่ตลอดพอใช้ก็เห็นพอเห็นแล้วก็มีเรื่องทุกทีเพราะมันเกิดเป็นผลคือสุขทุกข์เฉยๆถ้ามันไม่ใช้ก็เหมือนไม่มีแต่ก็มีนะ อะรเป็นมาเริงถ้ามันไม่ไปฉายที่มะเร็งมะเร็งมันจะมีได้ยังไงอยู่กับลมก็มีแต่ล ม, มก็ไม่มีมะเร็งวิญญาณไปตั้งอยู่ที่มาเร็งก็มีมะเร็งพอมีมาเร็งก็เลยมีทุกข์คิดถึงลูกก็ไม่ลูกมีลูกก็มีทุกข์ มีสุขมีเฉยๆอยู่กัลมก็ไม่มีลูกปุงว่าลูกก็มีลูกลูกก็มีอยู่แล้วอย่ายเอาปวดมาเป็นของเรา ก็ปวดไปไม่รู้ใครปวดเป็นสภาพปวดไม่มีใครปวดไปสร้างผู้ปวดมันก็มีผู้ทุกข์ขันมันปวดเลยปวดไปเป็นสภาพเวทนาเฉยๆอย่าไปปรุงมาเป็นเบามันไม่เห็นก็ต้องอดทน พูดไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็เห็นเองบางครั้งอุบายพวกนี้ก็จำเป็นถ้าปล่อยให้มันสบายๆมันก็ตกร่องเดิมตลอดมันไม่ถึงจุดพลิกผันที่มันจะยอมปล่อยที่เขต้องอดทนไม่ได้มานั่งทรมานกายกแต่ใช้เป็นอุบายเพื่อให้เห็นความจริง ป็นปดวดเราไม่ขยับด้ยสิมันจะเป็นเราปรดวดหรือมันจะเป็นใครปวดวันนี้เจ็บแค่นี้วันตายอาจจะเจ็บวันนี้ปล่อยวางไม่ใช่การกาจัดความเจ็บปวดออกไปนะปล่อยวางคือความเป็นอิสระจากความเจ็บปวด ถ้าเขาเป็นอิสระจากเราเราก็เป็นอิสระจากเขาเหมือนกนันอยากปวดมันปวดไปอยากดับันก็ดับเองหมดเห็นก็ดับมีเห็นก็เกิดกของก็เกิดเกิดดับดับอยู่นี่นหละทุกอย่างามันไม่เห็นมันก็ไม่ยอมปล่อยปล่อยมันเห็นให้มันมเห็นกัน เห็นกับตาในใ ห, ให้มันเกิดตาปัญญาชาตินี้ได้ทุกอย่างแล้วต้องสู้แล้วหยาะแย่หยาะแย่มาหลายชาติแล้วอย่าผัดไปชาติหน้านั้นเดี๋ยวเป็นหมาไปเกิดไปภูมิอื่นแล้วไม่ได้ปฏิบัติอีก ได้ทุกอย่างนะบทอธิษฐานจิตเพื่อทำความเพียรภิกษุทั้งหลายเรายังรู้สึกได้ซึ่งทำสองอย่างคือความไม่รู้จักอิม่มจากพอในกุศลธรรมทั้งหลายและความเป็นผู้ไม่ถอยกลับในการทำความเพียร ภิกษุทั้งหลายเราย่อมตั้งไว้ซึ่งความเพียรอันไม่ถอยกลับด้วยการอธิษฐานจิตว่าหนังเอ็นกระดูกจกเหลืออยู่เนื้อและเลือดในสรีระจะเหือดแห้งไปก็ตามทีประโยชน์ใดอันบุคคลจะบรรลุได้ด้วยกำลังด้วยความเพียรด้วยความบากบัน่น บุรุษถ้ายังไม่บรรลุประโยชน์นั้นแล้วจะหยุดความเพียรเสียเป็นไม่มีดังนี้ สุขก็อย่าไปติดมันนะันง่งแล้วสงบแล้วก็สุขเดี๋ยวก็ติดนะอารมณ์มันเป็นที่ชอบใจใอ้มันจบไปจบไปท่านธรรมยามอุตตนาติธาณัาธ า, ท า, ทายโยปนามาเซ นะปุญญาคมนา้วยบุญนีทิพย์ทยผู้ปัจจาคุณุตรังผู้ปัจจักุเลศุนอาจาริอผูปการาจาร์และอาจารย์ผู้เกื้อหุนมาตาปิตาจียตกาตามพ่อแม่และปวงยา ลูริโอจันทิมาราชาลูจันเวราชาภูณหันตานราชิชา ิิกาผูา้เป็นกลางผู้จองร้านสาเพสชาดุขิวุตูขอให้เป็นสุขทานทุกตัวหน้ายาุทุกตนคุณยานิปการานิเมคุ่นของที่ฆ่าทำยงช่วยอำหนวยสุขภพนสุขขันธ์จีตวิทานเจตุ ให้ถูกสามจางโน้นนิปังปาเมทะโอมะทังให้รู้ถึงนิปังนัานทีมินาพุจากเมนะด้วยอุทิศที่เราทำทีมินาอุทิเสนาจาแล่อุทิศให้ขวมสัตว์นิปางจุลาเปเทวา เราขันได้ถึงการตัดตานุปาทานาเจทานานตัวตัณหาอุป า, าทานเยสันตาเหินาสร ม, มานติชั่วในดวงใจยาวานิพานธ์โท ม, มามกว่าเราจะถึงนิพานนาสันตุสัพพายะวามาลายสิ้นจากสันตา ย า, าชาชาโตภเวภเ ว, าาเวทุกทุกภพที่เราเกิดผู้ ช, ชูจิตทั้งสติปัญญามีจิตตรงและสติทั้งปัญญาอันประสสเสริฐสาเรคโวิยังทีนานรอบทางความเปลียนเลิดเป็นเครื่องผูติเละายพม า, าลาลาปันตุโนกจัง โอกาสยาพึ่งมีแก่ผูมารทินทั้งหายการทุญญาพิเยตุเมเห็นดองประตุส้ายทำลายล้างความเยงนชมพูทตาที่ภาวนาโตพระพุทภูกิวานนาธรมโวนาโทวาุสมมรพระทรรมที่พุทผู้ม นาโต้ปัจเจกพุทโธจักปัจเจกพุทธสมสัมโคนาโตอารมณ์มารโตพระสงฆ์ที่พึงพยองเภตโตตมานุภาเวนาด้วยานุพาทันมาโลกาสัมภาปุมาขอมุมาห์ยะได้ชอง อาสาชุญยานุภาเวนะด้วยเุุทั้งสีองมาโลกัสสัมภิตรุมาจะเปิดโอกาสแกมัน Oh, my God. คิดเผลอคิดเนี่ยคิดตลอดมันเหม่อทั้งวั น, นเผลอทั้งวันให้จะเหลือเลยมีครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งขออนุ ญ, ญาตไม่เอ่ยชื่อท่านดีกว่าเป็นหลวงปู่ท่านก็มรณภาพไปแล้ ว, ลวทุกคนก็ทราบดีว่าท่านจบกิจจบหน้าที่ไปแล้ว และท่านก็เป็นผู้ที่มีอภิญญากล้ามากก็มีลูกศิษย์ใกล้ชิดถามท่านว่าอะไรเป็นเหตุที่หลวงปู่ชาตินี้ถึงได้มุ่งมั่นปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นหลวงปู่ก็เล่าให้ฟังบอกว่าชาตินึงหลวงปู่เกิดเป็นวัว ชาตินั้นเนี่ยเจ้าของวัวเนี่ยข้าลากวัวไปอยู่กลางทุ่งแล้วก็ก็ผูกเอาไว้แล้วก็ไปทำธุระทั้งวันเลยวัวเนี่ยหิวน้ำใจจะขาดมันร้อนเอาไปผูกไว้กลางทุ่งน้ำก็ไม่มีนานไปหลายชั่วโมงมันกระหามันหิวมากมันก็ร้องมันก็พยายามสะบัดยิ่งวัวสะบัดเท่าไหร่คนก็จะว่าบัวบ้า เขาเอาหินบ้างเอาก้อนไม้บ้างาท่อนไม้บ้างคว้างกันใหญ่เลยเฮ้ยวั ว, วมันจะบ้าวั ว, วมันจะบ้าก็คว้างกันใหญ่เด็กๆ เ, เขาหิมาแกล้งหิวน้ําใจจะขาดร้องบอกใครก็ไม่มีใครเขาฟังรู้เรื่องไม่มีใครเขาเอาน้ำมาให้มีแต่เขาว่าวั ว, วมันจะบ้าวั ว, วมันจะบ้าท่านบอกทรมานสุ ด, สดตอนเกิดเป็นราชาทรมานที่สุดเลย หลวงปู่ไม่เอาอีกแล้วไม่ขอกลับไปเกิดอีกแล้วมันมีแต่ทุกข์ชาตินี้จึงตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติอย่างเดียวได้รับันไปง่ายผู้บาอาจารย์อีกท่านหนึ่งที่มีอภิญญาท่านก็เล่าให้ฟัง ชาตินั้นท่านบวชเป็นพระด้วยแล้วก็นั่งอยู่ที่สาราริมน้ํากําลังเหม่อๆ เ, เพราะว่าที่วัดกํำลังทําก่อสร้างกันแต่ก็ขี้เกียจไปทําก่อสร้างกับเขาก็เลยไปนั่งอยู่ริมน้ํานั่งเม้อลอยไปแล้วก็ตกพลาดตกน้ําตู้มแล้วตายเลยเกิดผูเขาเลยเป็นวัวในวัดเลยทีนี้ เป็นพระอยู่ดีๆเลยไปเกิดในท้องวัวแล้วก็คลอดมาในวัดเลยทีนี้เป็นวัวไปอีกชาตินึงอยู่ในวัดนั่นเลยแวบเดียวแค่นั้นเองรู้ตัวอีกทีเป็นวัวไปเลยตายจากวัว น, นั่นน่ะก็ไม่เอาแล้วเร่งทำความเพียรแวบเดียวเลยกำลังนั่งเมื่อๆอยู่ริมน้ำแล้วปังอีกทีเป็นวัวเลย เมื่อไม่ได้เลยนะครับภูมิเดรฉานานี่ไม่ได้เชียวเวลาเ็าเรียงภูมิกันเนี่ยมนุษย์ยังอยู่กลางๆแล้วก็เป็นภูมิที่เหมาะสมสมควรต่อการปฏิบัติสุดๆแล้วล่ะมนุษย์เนี่ยเพราะมีทั้งสุขและทุกข์ปนเปไปปนกันให้เห็นอนิจจังได้ง่ายได้แล้วชีวิตช่วงนี้แปดสิบปีจะว่าสั้นก็สั้นล่ะ แล้วก็มันไปเห็นการเกิดดับรวดเร็วแหละนะครับทีนี้ต่ํากว่ามนุษย์เนี่ยรองลงมาเนี่ยเปรตจากเปรตอสุรกายจากอสุรกายเดรฉานเดรฉานและสัตว์นรกเดรฉานที่ต่อสัตว์นรกเลยนะครับเพราะมันมีกายหยาบกายหยาบเนี่ยทุกข์สุดๆอย่านึกว่าเกิดเป็นหมาดีนะ ถ้าท่านมีกล้องวงจรปิดตามมาเนี่ยทุกสุดๆครับไอหมาบ้านที่เราเลี้ยงๆกันเนี่ยยังโชคดีว่ามีอาหารกินแสดงก็ทำทานมาดีสมัยเป็นคนชอบทำทานแต่ไม่ชอบภาวนาเกิดเป็นเดราชานอั น, นิสงก็ยังสงได้กินเพชรดีกรีได้กินอะไรบ้าง สมัยเป็นคนก็ทําฐานวัดดีเลยได้กินยี่ห้อดีๆยี่ห้อดังๆมีสปาหมาต่างหากแต่เวลาท่านออกจากบ้านละ่ะท่านยิ่งให้มันมากเท่าไหร่ขอโทษมันไม่ได้มีสตินะมันยิ่งติดท่านมากเท่านั้นยิ่งติดยิ่งผูกพันยิ่งผูกพันยิ่งวันไหนท่านออกไปมาเข้าคอสห้าวันนี ตอนนี้ท่านว่ามันเป็นยังไงหงอยแล้วครับจะกลับไม่กลับเนี่ยจะมาไม่มาเมื่อไหรจะมามันทุกข์ใจจะขาดผมเคยให้น้องสาวที่เลี้ยงหมาเนี่ยเมื่อก่อนกโอ้ยหมาเกิดเป็นหมาสบายนะก็บอกใครๆมันก็โอ้ยฉาหมาผมบอกลองดูนะตอนเช้าออกไปทำงานลองแอบดูมันโอ้โหมันเศร้าไม่มีอะไรเหมือน มันยืนหน้าประตูแล้วก็รอขอขอยกตัวอย่างแต่ไม่ได้มาเทียบกรณีเดียวกันนะคุณแม่ที่นั่งรอลูกกลับบ้านดึกลูกท่านยังไม่กลับหนึ่งทุ่มก็ยังไม่กลับสองทุ่มก็ยังไม่กลับห้าทุ่มก็ยังไม่กลับตีหนึ่งก็ยังไม่กลับใจแม่เป็นยังไงครับ แม่ยังเป็นคนยังพอมีสติยังพอจัดการกับเรื่องภายในได้บ้างนะแต่หมานี่ตามสัญชตาตญาณเลยรับรองได้ว่าบีบคั้นทุกสุดสุดแล้วต้องเป็นอย่างนี้ทุกวันทุกวันทุกวันไม่งั้นเขาไม่เรียกทุกขติภูมิหรอกทุกขติภูมิไม่มีสติระลึกนะสิ่งที่ท่านฝึกไว้ทั้งหมดเมื่อเปลี่ยนเปลี่ยนขันเนี่ยรูปกายของมันเนี่ยกับขันของมันเนี่ย ไม่พร้อมที่จะรองรับสิ่งที่ท่านฝึกออกมามีเด็กคนหนึ่งน้องหมิวเคยยกตัวอย่างเขาพอจะเข้าใจตรงนี้เขาเลยอุปมาขึ้นมาถามว่าอย่างนี้ใช่ไหมโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ๆจอสีเข้าอินเทอร์เน็ตได้ซิมของมันเนี่ยทุกอย่างถูกบรรจุไว้ในซิม ข้อมูลทั้งหลายก็ถูกบรรจุไว้ในซิมพอโทรศัพท์รุ่นใหม่ๆเนี่ยพ็ c เก็พซหรือไอโฟนอะไรเนี่ยมันพังข้อมูลทั้งหลายคล้ายๆกับจิตหรือวิ ญ, ญญาณถูกสั่งจมไว้ในซิมซิมเอาไปใส่โทรศัพท์ประเภทจอขาวดำรุ่นเก่าที่มันไม่ทรงประสิทธิภาพเหมือนยุคนี้พอยัดซิมเข้าไปได้แค่โทรเข้าโทรออก ข้อมูลอันบันเจิดของท่านทั้งหมดใช้ไม่ได้เลยเพราะในโทรศัพท์มือถือรุ่นนั้นไม่สามารถเอาข้อมูลหรือว่าแปลงข้อมูลพวกนั้นขึ้นมาใช้เหมือนเดิมได้แต่ข้อมูลไม่หายหรอกยังอยู่ในซิมรอวันเวลาให้ไปเจอ Iphone ตัวใหม่หรือพ o c k e t p ตซตัวใหม่หรืออะไรตัวใหม่สมาร์ทโฟนตัวใหม่เพราะฉะนั้นเมื่ออัตราภาพมันเปลี่ยนไปเนี่ยข้อจากัดมันมีอยู่ ดีที่สุดอย่าไปสร้างเหตุให้มันลองดูซิว่ามันมีขันห้าเหมือนเราไหมถ้ามันมีสังขารมันก็คิดถ้าคิดได้มันก็ฝันได้งง ถ้ามันฝันได้มันก็เหมือนเราแล้วทั้งนั้นเราจะมาดูจิตดวงสุดท้ายกันวันนี้ข้อมูลเรามีเต็มเพียบการพูดอะไรไปเนี่ยง่ายล่ะ ไม่ว่าจิตเป็นกุศลอกุศลอะไรท่านรู้หมดแล้วตอนนี้ทีนี้พอเข้าใจเรื่องจิตเป็นกุศลอกุศลเอาง่ายๆตัวสภาวะธรรมถ้าจิตที่เป็นอกุศลเนี่ยหนักๆ ทวงทวงซึมซึมไม่เบิกบานเลยห <c oughs> ดหูท้อถอยซึมเศร้าเกลียดข้านอย่างนี้เป็นพวกอกุศลทั้งนั้นรับรองได้ว่าถ้าตายตอนนั้นก็ลงต่ำทุกขติเป็นอนัหวังได้จิตพวกนี้ส่วนที่เป็นกุศลก็มีศรัทธาตอนนั้นก็ผ่องใสและตอนเวลามีศรัทธาต่อคำสอนพระพุทธเจ้านี่มันจะเบิกบานขึ้น มีสติประกอบมียริโอตา ป, ปะไม่มีกิเลสในจิตมีความสงบในจิตมีความเบาอ่อนโยนควรแก่การงานตรงนี้ที่บาลีใช้คําว่ากรรมนิโยนะครับเพราะฉะนั้นจิตที่จะมีกรรมนิโยเนี่ยมันมาจากเมื่อมีสติสัมปชัญญะสมาธิแล้วเนี่ยจิตต้องไม่ซึมนะถ้าท่านเข้าสมาธิสักพักแล้วมันซึมลงไม่ใช่แล้วนะจิตไม่พร้อมที่จะเดินวิปัสสนา จิตจะต้องมีกรรมวิรโยคือกระชับกระเชง เ, เริ่มควรแก่ ก, การงานจะรู้เลยว่าโอ้โหการพิจารณาอารมณ์การรับอารมณ์กันปุ๊บุ๊ บ, บเนี่ยไวมากนะครับไอเนี่ยฝึกมาดีถึงตอนนี้ไปเร็วลวแต่ถ้านั่งสมาธิแล้วนิง่งซึมไออย่างี้ต้องกระตุ้นหน่อยแล้วนะครับออกไปรับอารมณ์บ้างละเดี๋ยวก็จมละ ถ้าไม่มีกรรมนิโยเนี่ยเดินวิปัสสนายากมากมีความคล่องแคล่วกาันต่อการงานของจิตอย่างนี้จิตจะต้องรับอารมณ์แล้วพิจารณาอารมณ์พิจารณาไตรลักษณ์เห็นไตรลักษณ์เห็นการเกิดดับปั๊บปุ๊ป๊ปปปปปุพวกนี้จะไหว เ, เกิดปัญญาได้เอาละทีนี้เรามาดูสภาพของจิตดวงสุดท้ายกันหน่อยว่าอะไรเป็นเหตุไปเกิดใหม่ของอะไรคิดถึงอะไรแล้วใจเป็นทุกข์ คำว่าคิดถึงอะไรแล้วใจเป็นทุกข์คิดถึงอะไรก็ได้ในเรื่องบัญญัติผมถึงบอกว่าไม่เกี่ยวหรอกในทางที่เห็นบัญญัติแต่มันสำคัญที่คู่ขนานคือข้างในคิดถึงงานก็เป็นทุกข์คิดถึงลูกคิดถึงหมาคิดถึงสามีภรรยาพ่อแม่อะไรก็ได้ที่ท่านคิดแล้วเกินเป็นทุกข์คิดถึงคนที่ท่านไม่ชอบใจก็เป็นทุกข์คนชอบถามสมออย่างคุณแม่เนี่ย คิดถึงลูกอ่ะซึ่งมันเป็นธรรมดาเลยอะแม่คิดถึงลูกเนี่ยเกิดแม่ถูกลดชนก็มันจะไปรับลูกที่โรงเรียนเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เกิดรอแล่วรอแล้วจะไปจะอยู่จะอยู่จะไปนะ่ตอนนั้นมันจะกังวลขึ้นมาเลยมันเกิดเห็นหน้าลูกมันกังวลขึ้นมาทุกข์ไหมละ่ะทุกข์เขาถามเหรอว่ามันเรื่องอะไรมันไม่ถามเลถ้าคิดถึงอะไรแล้วใจเป็นทุกข์ก็ไปเลยภูมิต่อไปปั๊บอย่างที่บอกเลยเมื่อปั๊บ อีกทีหนึ่งเอาทำไมสี่ขาแล้วล่ะเนี่ยเมื่อกี้ยังเดินตัวตั้งตั้งอยู่เลยเดรลชาญแปลว่าอะไรครับสัตว์ที่มีลำตัวขนานกับพื้นดินั้นอย่าฝึกให้ตัวมันขนานพื้นดินมากๆนะเดี๋ยวตัวมันจะขนานพื้นดินเดลชานแปลว่าผู้ที่มีสัตว์ที่มีลำตัวขนานกับพื้นดิน ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะเนี่ยถึงพระเจ้าถึงได้ตัดว่าโอกาสที่มนุษย์จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันมีน้อยเพราะมนุษย์ไม่รู้อริยศาสตร์เพื่อมนุษย์ันไม่รู้อริยศาสตร์ก็จึงหลงหลงหลงหลงหลงกระทําสิ่งนู้นสิ่งนี้ไปเรื่อยๆไม่รู้อะไรเป็นทุกข์อะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์พอไม่รู้อะไรเป็นทุกข์อะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์มันก็เหม่อมันก็เผลอมันก็ไปเรื่อยไร้โมหะก็ไม่รู้จักโลภะก็ไม่รู้จักโทสะก็ไม่รู้จัก เพราะมันมีแต่ตัวตนตัวกูคอยขวางเอาไว้หมดถ้ากูทำมาถูกหมดไม่ว่ากูจะโกรธกูจะโลภกูจะหลงกูถูกหมดอะ่ะก่อนมาปฏิบัติธรรมท่านก็ลองย้อนเวลากลับไปดูก็ได้เมื่อสองคอร์สที่แล้วผมพูดเรื่องของไอ้จิตที่เป็นอสุอิสัต์นรกเนี่ยมีผู้หญิงสองคนฟังแล้วมันคงเข้าเพราะว่าวันสุดท้ายที่เธอออกมาแสดงความรู้สึกเนี่ย เธออกมานั่งร้องไห้ข้างหน้าเธอก็บอกว่าเธอเห็นแต่ภาพที่เธอเป็นสัตว์นรกมาตลอดชีวิตเธอบงการสามีเธอว่าสามีเธอว่าลูกเธอบงการทุกคนในบ้านด้วยความชื่นชมว่าเราสามารถควบคุมได้เราสามารถทุกคนกลัวเราหมดแต่พอวันนี้มาเห็นตัวเองเธอบอกเลยว่าดิฉันไม่ต่างจากสัตว์นรกดิฉันเป็นสัตว์นรกตัวจริงๆเลย คืนวันที่ได้ฟังกดโทรศัพท์ไปหาสามีที่ต่างประเทศอุตสาหบินมาเข้าคอสแล้วก็ขอโทษเขาทาโทรศัพท์ขอโทษทุกอย่างที่เคยทำมาตั้งแต่รักกันมาจนถึงวันนี้ผมก็ถามว่าแล้วสามีบอกว่าไงสามีบอกไม่เป็นไรโอ้โหฉันยิ่งร้องไห้นะ่ะเขาไปใหญ่แล้วสามีไม่ถามหรอว่าเป็นอะไรทำไม อยู่ๆมาขอโทษเขาคงตกใจนะเขารู้ว่ามาปฏิบัติเขาก็ขอโทษอีกคนนึงเหมือนกันเลยอีกคนนึงก็อยู่ที่อเมริกาอีกคนนึงอยู่ดีลซีแลนด์ก็โทรไปขอโทษเหมือนกันไม่ได้นัดหมายกันเลยมันเห็นแต่ตัวเองเป็นสัตว์นรกผมบอกว่านี่แหละผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยปฏิบัติไปแล้วมันจะลึกชาติได้มันจะลึกชาติชั่วได้ ไอ้เมื่อก่อนว่าตัวเองดีจัดเลยโอ้ยอะไรดีไปหมดตอนนี้ไม่เห็นเลยหาดีไม่เจอเลยหาดีไม่เจอเลยยิ่งปฏิบัติกิเลสยิ่งเยอะไม่ไหวเลยปฏิบัติธรรมเนี่ยยิ่งปฏิบัติฟุ้งซ่านบางคนนั่งสมาธิแล้วฟุ้งซ่านมากเลยผมเลยถามว่าก่อนนั่งไม่ฟุ้งใช่ไหก่อนนั่งไม่ฟุ้งเลยเนี่ยพอมึนมาฟุ้งตอนนั่งเนียมก็เหลือโอ เพิ่งมาฟุ้งตอนนั่งเนี่ยเนาะหรือว่าเพิ่งมารู้ตอนนั่งเพิ่งมารู้ว่าฟุ้งตอนนั่งจริงๆนะ่ะฟุ้งมาทั้งชีวิตแต่ไม่รู้เพราะไม่เคยมีวิหารธรรมไม่เคยมีหลักจึงไม่รู้เลยว่าวัวมันวิ่งออกไปไม่หยุดพอมีหลักเชื่อกผูกปับ๊บมันกระชากหลักเลย ถึงได้รู้ว่าโอ้โหวัว น, นี้มันไม่เคยอยู่หลักเลยนี่มันวิ่งไม่หยุดเพราะผูเข้าไปถึงรู้เลยนะดูอะไรให้ออกนะไม่ใช่ฟุ้งซ่านตอนนั่งนะถ้านั่งฟุ้งซ่านอย่างนี้แปลว่าทั้งชีวิตฟุ้งซ่านแล้วถ้าทั้งชีวิตที่ผ่านมาฟุ้งซ่านหวาดเสียวได้เลยผมบอกให้เลยหวาดเสียวได้เลยเพราะมันไม่หยุดเลย ถึงอะไรแล้วใจเป็นทุกข์แต่อยู่ๆก็คิดถึงอะไรแล้วใจเป็นสุขก็มีเกิดคิดถึงการนั่งสมาธิเดินจงกรมเห็นภาพที่เรากําลังปฏิบัติอยู่ใจเป็นสุขก็มีคิดถึงอะไรแล้วใจเป็นทุกข์มันเอาแน่ไม่ได้ท่านนั่งสมาธิท่านก็รู้เดี๋ยวก็แวบไปเรื่องนู้นเดี๋ยวก็แวบไปเรื่องนี้เดี๋ยวก็เลือกแวบไปเรื่องความสุขเดี๋ยวก็ไปความทุกข์ไม่ได้หยุดเลยเรื่องบางเรื่องไม่ได้เกิดมาตั้งนานไม่รู้ขุดมาจากไหนะปุ๊บขึ้นมาเจออย่างนั้นแต่สุดท้ายเกิด เราดึ้ถึงความสุขไอ้อย่างนี้ก็ไม่น่ากลัวอะไรหรอกนะไปเกิดไปคิดอะไรถึงความสุขเข้าไปเมื่อไม่นานเนี่ไม่กี่อาทิตย์เนี่ยมีคนโทรศัพท์มาหาผมบอกว่าอาจารย์สามีดิฉันเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายกำลังจะเสียชีวิตนอนอยู่บนเตียง แล้วเขาตัดสินใจแล้วว่าเขาจะไม่รักษาเขาจึงบอกหมอว่าเขาจะชักปรักทุกอย่างออกหลังจากเซ็นเอกสารทุกอย่างเขาก็ชักปรักตอนนี้เ้านอนรอความตายแล้วเขาก็ชักบ่นว่าทำไมมันไม่ตายสัทีอาจารย์ช่วยนำทางเขาไปสุคติหน่อย ผมก็ถามว่าเขาเคยปฏิบัติธรรมไหมเขาไม่เคยก็มีห่วงไหมลูกงานเราไม่มีเราไม่มีลูกด้วยกันอืแล้วงานละ่ะเกษียณแล้วอืมแล้วมีอะไรที่เขาห่วงไหมไม่มีเขาไม่ห่วงคุณเลยนะไม่ <c oughs> อืมก็ดีใหญ่ นั้นฝากบอกว่าเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นจงมีชีวิตที่เหลืออยู่ให้มีความสุขทุกวินาทีผมฝากบอกแค่นี้แล้วสามภรรยเาเขาก็ไปบอกสามีเขาที่นอนร อ, อความตายบอกอาจารย์ประเสรศิฐฝากมาบอกว่า ไม่ต้องกังวลไม่ต้องไปคิดถึงความตายหรอกเมื่อไหรมันก็เมื่อนั้นใช้ชีวิตอยู่บนโลกให้มีความสุขที่สุดก็แล้วกันร่างกายก็เป็นมะเร็งอยู่แล้วจะไปคิดถึงอะไรจะไปห่วงอะไรมันขยะทั้งนั้นทิ้งไปเถอะให้ใจมีความสุขกับเวลาที่เหลือเขาก็าฝากบอกมาบอกว่า ผมเข้าใจทุกคำที่อาจารย์พูดแล้วฝากกราบอาจารย์ด้วยผมไปแล้วหลังจากนั้นภรรยาก็โทรมาหาผมผมก็ถามว่าเป็นไงบ้างล่ะเขาบอกว่าเขาค่อยๆนอนตายอย่างสงบด้วยรอยยิมม้มบนใบหน้าอย่างมีความสมุขจนถึงวินาทีสุดท้ายผมใจได้นะ สุขติภูมิเป็นอันหวังได้พราะผมถามว่าเขาไม่ใช่นักปฏิบัติผมเลยไม่พูดอะไรมากไม่สอนไม่อะไรให้มากเรื่องเพราะจะทำให้จิตชิ้นกังวลหนักเข้าไปใหญ่พอกังวลแล้วเดี๋ยวไปเลยเอาแค่นี้แหละแค่นี้ก็ไปสุขติได้สังเกตไหมว่า เวลาที่เรานั่งสมาธิถ้าผมอยู่ๆผมบอกว่าเราจะนั่งกันยี่สิบนาทีหลายคนพอนั่งไปสักพักมันจะไปเกาะที่ยี่สิบนาทีโอ้ยเมื่อไรมันจะถึงว่าทำไมยี่สิบนาทีมันนานจังนาฬิกาตายเปล่าเนี่ยผมะระเบิดจําเวลาปฏิบัติแรกๆรู้มันถ่านหมดตอนนี้ว่ทมมะทําไมยี่สิบนาทีมันนานผิดปกติเครื่องชั่วโมงมันยังกะสองชั่วโมง ทานหมดเอา้าลืมตาดูไม่หมดเลยทานนี้สะหมดทานนี้มันลุกโพลงอยู่ไม่ทานหมดไอ้นี่มันลุกโพลงอยู่เพราะทันทีที่เขาเกาะวินาทีที่เมื่อไหร่จะตายเนะี่ยตอนนั้นตัญหามันเกิดไฟมันเริ่มเผาในจิตผมถึงต้องปลดชนวนนี้ออกคนบอกว่าเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละ ไปสนใจอะไรว่าเมื่อไหรให้เขาปล่อยปลายทางก่อนแล้วกลับมาอยู่กับวิธีแล้วก็บอกว่าใช้ชีวิตให้มีความสุขทุกวินาทีพอผมถามแล้วภรรยาบอกว่าตอนนี้เขาก็พยายามพูดโทรอยู่โอเคก็ไม่มีอะไรไม่อยากจะพูดอะไรให้มันวุ่นวายไปกว่าเดิมอเอาแค่นิดๆจับทางได้ก็พอแล้ว หลายคนโอ้โหถ้าได้โอกาสพยาะาำสอนคนยิ่งสับสนเนี่ยคนมันจะตายอยู่แล้วจมน้ำ น, นี่ต้องว่สัเหมือนคนตกน้ำอะ่ะพยายามจะสอนท้าผีเสื้ออย่างเงี้ยโอ้โหเอาเถอะลูกหมาตกน้ำก็พอแล้วนะจะถอนท้าผีเสื้อตอนกำลังจะจมนีนะ่เดี๋ยวก็เรียบร้อยพอดีนะยิ่งกังวลกันใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ไม่ได้ปฏิบัติเนี่ย จะนึกอะไรไม่ออกเลยมันยิ่งสับสนกันใหญ่เหรอต้องอย่างนี้ทุกต้องโอ้โหพอเขาทาไม่ได้เขาจะรู้สึกเศร้าหมองเลยพอทําทไม่ได้จะรู้สึกเศร้าหมองเลยนะทีนี้ยิ่งกังวลหนักเลยเพราะงการสอนกรรมฐานบางครั้งเนี่ยคนเขาติดกรรมฐานแบบนั้นมาเนี่ยต่อให้รู้ว่ามันเป็นสมถะแล้วมันจบแค่นี้เนี่ยแต่ถ้าดูว่าแก้ไม่ทันนะถ้าอายุอยากแก้ถ้ารื้อไม่ได้อย่ารื้อนะ รือล้ยุ่งเลยมันจะกลายเป็นคนคนนั้นกังวลเกิดจิตวงสุดท้ายมันยังแก้ไม่ได้แล้วมันกังวลลงอบายไปยุ่งมันใหญ่เลยไปบอกกรรมฐานเขาต่อให้บอกสุดยอดแค่ไหนก็ตามแต่ของเดิมก็มีสมถะอยู่แล้วยังไงเข้าสุขติภูมิอยู่แล้วก็จะติดคําบริกรรมอะไรก็ได้แต่มันเป็นสมถะซึ่งมดีอยู่แล้วอ่ะในระดับหนึ่งจะไปแก่นันแก่นี้ยิ่งกังวลเอ๊ะทำฉันทําไม่ได้จะเป็นอะไรไหมเนี่ยเราปรับเรียบร้อยกัน แทนที่จะไปสุคติและไปทุคติเลยจะให้โจทย์อะไรก็ให้ที่เขาทำได้อย่าไปโชว์ภูมิตอนนาทีสุดท้ายของคนจะโชว์ภูมิตัวเองหน่อยไหมว่าเราสุดยอดเลยพาก็ลงนรกเลยโกรธสมน้ำหน้าอาฆาตสะใจแค้นใจพยาบาท ภูมนีสุดๆเพราะฉะนั้นผู้เจ้าตรัสว่าไม่มีอะไรน่ากลัวเท่าไฟโทสะเพราะฉะนั้นอย่าให้มันเกิดละไว้วใครที่เอะอก็หงุดหงิดรำคาญชอบจิกชอบ ด่าชอบว่าคนเนช่วงนี้ท่านมารู้แล้วนะครับอย่าใช้วาจาทำกรรมละอกุศลไวๆใช้ลมหายใจเป็นที่พึ่งเจริญกุศลแทรกเข้าไปเรื่อยๆมันจะจางลงจางลงอย่างน้อยมันจะได้ไม่ลงไปวนเวียนอยู่กับภูมิพวกอย่างนี้มันเหมือน มันเหมือนเอาคนแบบเดียวกันน่ะเหมือนเหมือนถ้าสมมุติว่าในบ้านในบริษัทเราบอกว่าโอ๊ยบริษัทฉันไม่รู้เป็นอะไรมีแต่คนเห็นแก่ตัวมันมีแต่คนเจ้าโทสะอวยวายกันหมดผมถามว่าบริษัทมีกี่คนนะก็ยี่สิบคนแล้วมีคนอย่างนี้กี่คนโอ้ยมีตั้งห้าคนบอกเออแต่ถ้าลงไปอย่างเงี้ยยี่สิบยี่สิบเลยนะ ย0 2สิบยี่สิบเลยแล้วถ้าเราลงไปเนี่ยแสดงว่าเราได้สิทธินั้ น, นไม่ต้องมองสิบเก้าเลยเพราะว่าเราเท่าเขาคงกัดกันมันน่ะเพราะฉะนั้นยังเปลี่ยนทันได้เปลี่ยนองคุริมายังเปลี่ยนได้เลยอยากได้นะ่บีบคั้นเนี่ยเป็นทุกข์งกหวงแขน กรณีทีเหนียวกลัวคนอื่นได้ดีไอพวกนี้เปรตทั้งนั้นแล้วประเภทเนี้ยผมจะเตือนไว้เลยเนะมีใครเอาซองมาให้ทำบุญแจกซองสมมติว่าเราใส่ห้าสิบาท เ, เพื่อนควักแบงค์ห้าร้อยใสเฮ้ยใครก็ใส่กันขนาดนั้นเธอใส่กันห้าสิบาท ใส่เลยตั้งห้าร้อยมากไปเพราะไอ้ที่หนึ่งนะไม่ใช่เงินตัวเองไปหวงเงินคนอื่นนี่ก็หนักแล้วนะแล้วมันดันกลายเป็นเงินทําบุญด้วยให้นี่เปรดร้อยเปอร์เซ็นเปรดร้อยเปอร์เซ็นยหนักกว่านั้นไอคนที่ใส่ห้าร้อยชักออกจริงเหรอเอาเปลี่ยนแบห้าร้อยเป็นแบนห้าสิชิบ เลยงกหวงแหนได้โดนก็เข้าไปด้วยเลยไปกอดคอกันลงไปเจอข้างล่างเลยจ า, ฮาฮ้าคือสละออกเป็นธรรมเครื่องลดโลภะให้ตัวตนลดลงหลบซ่อนความผิด ผู้ชายที่ชอบไปมีกิ๊กมีอะไรนะหรือผู้หญิงแอบเม้มเงินในกระเป๋าสามีสามีเกิดเปิดกระเป๋า ใ, ใจแวบเลยบวดดีถือตัวนะกวเก่งกวแน่รู้หมดนะฟังทำว่าพระพุทธเจ้ารู้หมดว่าไม่ใช่ต้องอย่างเงี้ยไม่ใช่ใช่ต้องแบบนี้เอานะขนาดดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ยังทำได้นะ พวกกูเก่งกูแน่นะกูเก่งหมดแหละกูรู้หมดแนละ้วคนนี้นะพวกนี้เป็นอสุรกายอสุรกายเนะี่ยถ้าพูดจริงๆเป็นลักษณะคนเซลฟ์จัดเป็นพวกเซลฟ์จัดอัตตาเยอะๆเพราะที่ฟังครูบาอาจารย์เล่าเวลาเห็นคนตายแล้วก็เกิดตับขึ้นไปเนะี่ย พวกเซลล์จัดพวกที่มีอำนาจวาสนาในภพมนุษย์ตายปั๊บส่วนใหญ่อสุรกายเนี่ยเยอะมากเรือมันมีแต่เซลล์ตัวตนมันเยอะแล้วพอไปถึงตรง น, นั้นก็ไปหาสมุนได้เยอะด้วยพอไปเป็นอสุรกายก็ไปมีสมุนเป็นอสุรกายเพราะว่า สมัยบนโลกนั้นมันกลางอยู่ไปตองนั้นจิตมันก็ยังกลางอยู่ท่านว่าสัตว์นรกเนี่ยไอ้ที่ว่าภูมิที่เดือดร้อนหนักหนาเนี่ยโดนอุตลุดเนี่ยมันกลัวตายไหมหรืมอยากตายเชื่อไหมว่าสัตว์นรกกลัวตายแล้วท่านคิดว่าสัตว์นรกอยากเป็นเราไหม ดิราชานอยากเป็นคนัหมท่านอยากเป็นใครไหมท่านอยากเป็นนายกยิ่งรักไหมแล้วท่านคิดว่านายกยิ่งรักอยากเป็นท่านไหมทําไมใครถึงไม่อยากเป็นใครรู้ไหม เขาเขา่าเขาดีกว่าคนอยู่ในโทษนะเดี๋ยวจะหาว่าไม่เกี่ยวนะคนอยู่ในสลัมเนะ่ะต่อให้บริษัทพาไปเที่ยวไหนก็ตามนะที่ไปนอนโรงแรมห้าดาวนะแต่คิดถึงบ้านนะอยากกลับบ้านนะมันยึดกันหมด แล้วก็ไม่ได้เห็นว่าใครดีกว่าเรานะ่ะวันนี้เรามีกินเดี๋ยวถ้าให้อ่านว่าอนาคตมนุษย์จะเป็นยังไงที่คำของผู้เจ้าเนะี่ยวันนี้เรามีกินดีอยู่ดีเนะี่ยวันข้างหน้าเหลือแต่ย้ากับแก่นะเหลือแต่ย้านะเชื่อไหมมนุษย์ก็ติดย่านะ่ะ มนุษย์ก็กินหญ้าแบบของชั้นหญ้าสนามกรอบนุย้ยมันก็จะติดหญ้าอีกร่างกายผุพังมีอายุอยู่ไม่เกินสิบปีนะแสนจะผิวพันแสนจะซามก็ยังรักผิวพันยังรักอะไรอยู่เนี่ยเป็นอะไรก็ติดไอ้นั่นเป็นอะไรก็ติดไอ้นั่น ยึดติดให้หมดวันนี้ถึงต้องความฝึกถอดถอนเลยติดนึบนับหนึบนับไป ห, หมดอันนี้ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับภาวนาฌ <c oughs> านนะครับคนที่อยู่กับนั่งปับ๊บ ไม่ร้อคร้ายแ้มาถึงกับหนังสมาธิเดินจงกรมพวกนี้ไม่ต้องถามเลยเพราะมันฝึกอุปนิสัยที่มันจะแช่อยู่ในน้ําเยน็นน้ําธรรมดาอยู่เนะี่ยมันก็ไม่เอาแต่อย่าให้มันมีตัวตนนะ่ะโอ้โหคนอื่นใช้ไม่ได้เลยมาถึงเห็นเดินจงกรมหนะังสมาธิแล้วกลัวเก่งอยู่คนเดียวเลยนะไอ้นี่เอาอีกนะว่าจะไปโลดซะหน่อยมันเนี่ย มันทุกระดับจริงๆท่านพุทท่านบอกว่าเป็นเป็นคนก็ทุกแบบคนเป็นคนดีก็ทุกแบบคนดีเป็นคนชั่วก็ทุกแบบคนชั่วเป็นพระก็ทุกแบบพระคือเป็นอะไรก็ทุกแบบนั้น่ะก็ไม่เห็นมีใครพ้นทุกสักคนเพราะมันไม่รู้อริยศาสตร์นี่แหละเป็นอะไรก็ทุกเป็นนันไะมันเป็นไม่เป็นมันทุกทุกอย่างเป็นคนดีเนื่องกว่าจะหายทุก ที่ไหนได้ ย, ยิ่งดียิ่งทุกตอนเป็นคนจนก็ทุกแบบคนจนนึกว่ารวยแล้วจะหายทุกพอลว ย, ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ยิ่งทุกข์หนักเข้าไปใหญ่นอนไม่หลับเลยทีนี้เมื่อก่อนยังนอนหลับบ้างแค่ไม่มีกินมันหลับสบายเพราะมันอดมันหิวมันเลยหลับมันเพลียมันเลยหลับพอกินดีอยู่ดีเลยไม่หลับเลยนอนไม่หลับ ตีหนึ่งตีสองนอนไม่หลับออกไปยืนที่ระเบียงหันมามองโอ้โหเตียงก็อย่างดีแอร์ก็อย่างดีผ้าปูก็อย่างดีอิตาลีทั้งนั้นไม่หลับออกไปยืนที่ระเบียงหน้าบ้านชั้นสองออกไปสูดหายใจหน่อยได้ยินเสียงกลคลอกครอกหันไปดูไอ้ขอทานขอทานนอนอยู่ข้างบ้านที่นอนก็ไม่มีมอนก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีสักอย่าง คนคลอกกเลยอะไรวะเราหันไปมองในห้องเตียงเป็นอย่างดีอะไรก็อย่างดีไม่หลับไอ้ขอทานนี่หลับเอาหลับเอาเดินเข้าไปในห้องหยิบเงินมาเปิดมัดใส่ถุงกับแก๊บคว้างเลยลงหัวขอทานพอดีปักเข้าไปขอทานสะดุ้งดาไอ้ใครวะอุบัพุบั บ, บถุงอะไรวะเนี่ยเปิดดูเฮ้ยเงินโอหปิดมาเลอด เอาแล้วนี้ได้กินแล้วโอ้โหนี่ขาดเซเดี๋ยวไปซื้อซื้อโอ้ลองเท้านี่ก็เก่าแล้วอะไรก็เก่าพอนอนนอนอเดี๋ยวโดนขโมยหันซ้ายหันขวาเศรษฐีก็ยืนดูอยู่บนระเบียงตั้งแต่ตีสามถึงหกโมงเช้าไอ้ขอทานไม่หลับอีกเลย <c oughs> <c oughs> ไม่หลับเลยทีนีเศรษฐีชัวเลยกูรู้แล้วรู้แล้วกู มาดูสัมมาสติคิดถึงอะไรแล้วใจเป็นทุกข์อยู่ๆมันคิดถึงอะไรแล้วใจเป็นสุขก็มีนะเมื่อกี้แล้วก็กพูดถึงอะไรเอาละตอนนี้มันเสียวแล้วสิเสียวแล้วสิมันจะดวงสุดท้ายแล้วมันดันคิดถึงอะไรใจเป็นทุกข์แต่ความที่เคยละอกุศลจเจริญกุศลจนกระทั่งจิตเข้าสู่เบกขาอยู่เป็นประจำอยู่เป็นนิสนะเมื่อถึงจุดนี้ปั๊บความร้อนมันเริ่มพุ่งขึ้น สติมรลึกปังกิเลสดบสุขติภูมิเป็นอันหวังได้ที่เราฝึกไว้ต้องการตรงนี้นะครับเมื่อกี้สังเกตไหมดูตรงนี้ไว้นะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนอันนี้ผมบอกว่า สุขติภูมิเป็นอันหวังได้เดี๋ยวผมจะให้ท่านกลับมาดูอันนี้ทีดูอันนี้นะจะคล้ายกันมากนะครับ คล้ายกันไหมครับแต่ไม่เหมือนกันถูกไหมครับกรณีนี้คิดแล้วใจเป็นสุขไปเกิดเป็นเทวดาแต่กระบวนการคิดแล้วใจเป็นสุขประกอบด้วยโมหะตรงนี้ยังอยู่ภายใต้ ปุญญาพิสังขาร น, นะครับอวิชชาเป็นตัวบงการคิดไปตามสัญชาตญาณไม่ได้ประกอบด้วยสติไปเป็นเทวดาก็จิตแต่หากเมื่อสักครู่นี้สติระลึกปั๊บสติเป็นเจตสิกฝ่ายกุศลโลภะโทสะโมหะเข้าไม่ได้เมื่อเข้าไม่ได้ จิตจึงว่างจากโลภะโทสะโมหะอยู่ในสภาพอโลภะอโทสะอโมหะเขาเรียกว่าไตรเหตุเมื่อเกิดปฏิสนธิวิญญาณจิตจะปราศจากกิเลสทั้งสตัวเมื่อไปเกิดในภพภูมิใหม่หากยังต้องเกิดจะเป็นติขะบุคคลบุคคลที่เป็นเลิศยิ่งกว่าบุคคลในภูมินั้นๆ เป็นผู้ที่มีปัญญาเพียบพร้อมหากได้พบครูบาอาจารย์ที่สามารถชี้ทางได้ถูกต้องถูกตรงแล้วเหมาะสมกับจริตคนคนนั้นจะเข้าสู่การบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันได้เพราะฉะนั้นอานนี้สงมากนะครับเรื่องของสติไม่ใช่ธรรมดาไม่ได้ไปแบบนี้แบบนี้เขาเรียกว่าไปด้วยเหตุสอง คืออะโลพาอะโทสะแต่มีโมหะปนไปก็ก็ไปโอเคน่ะนะ <c oughs> ก็ไปว่ากันต่อนะอ่ะพอสมควรเดี๋ยวผมจะให้ท่านไปพักก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูรายละเอียดอะไรต่ออะไรอีกนิดๆหน่อยหอยอ่ะเชิญครับ พระก็ไปพระมีอยู่ครั้งหนึ่งผมอ่านในพระไตรปิฎก ไปเจอข้อความก็แรกๆก็รู้สึกแปลกตอนนั้นก็ยังไม่ได้เข้ามาอะไรมากพระพุทธเจ้าท่านบอกกับสาวกว่าพระพุทธเจ้าก่อนหน้าท่านเนี่ยคือในยุค ข, ของท่านเนี่ยมีการ ประชุมสงครั้งหนึ่งก็คือในวันมาคาปูชาที่มีพระอรหันต์มาชุมนันชุมนุมกัน1ันสองรยห้าสิบรูปเราก็ว่าเยอะแล้วพนะันสองรยห้าสิบรูปเนี่ยแต่ท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าก่อนหน้าท่านเนี่ยมีการประชุมสงฆ์สองครั้งถ้าตัวเลขเนี่ยผมจำไ ม, ม่แม่นนะครับประมาณและะ้ว ครั้งแรกเนี่ยประมาณสองแสนรูปพระอรหันต์ครั้งที่สองประมาณแสนกว่ารูปอายุเฉลี่ยของมนุษย์ตอนนั้นอยู่ที่สองหมืปีหลังจากนั้นท่านก็บอกต่อไปว่าพระพุทธเจ้าองค์ก่อนหน้านั้นขึ้นไปอีกมีการประชุมสงฆ์สักจะสองครั้งครั้งแรกประมาณหกแสนครั้งที่สองประมาณห้าแ0น อายุเฉลี่ยของมนุษย์ตอนนั้นอยู่ที่ประมาณหกหมื่นปีก่อนพระองค์นั้นขึ้นไปอีกอายุเฉลี่ยของมนุษย์อยู่ที่ประมาณแปดหมื่นปีมีการประจุสมสามครั้งครั้งแรกสองล้านกว่าครั้งที่สองล้านกว่าครั้งที่สามล้านกว่าเพราะผมเห็นตัวเลขเนี่ยผมเห็นในยะสาคัญอะไรบางอย่างก็คือ จำนวนผ้ารหัน6กผันโดยตรงเลยกับอายุมนุษย์แล้วอีกอันหนึ่งก็คือเห็นกราฟ 80,000 60,000 20,000 แล้วก็80จากนั้นผมมาเจอพระสูตรที่บอกว่า ว่าด้วยกำหนดอายุไขของมนุษย์สิบปีพอเจอ น, นี้เปิดไปถึงเห็นเลยว่าอายุมนุษย์ท่านพูดมาตั้งแต่แปดหมื่นแล้วก็เมื่อสัตร์ตาแพร่หลายออกไปมุสาวาดแพร่หลายออกไปอายุมนุษย์เริ่มเสื่อมลงวันณนาเริ่มเสื่อมลง อายุของข้าเสื่อมถอยจากวันนะบ้างบุตรของผู้ที่อายุแปดหมื่นปีก็มีอายุถอยลงเหลือสี่หมื่นปีในเมื่ออายุมีสี่หมื่นปีชายคนหนึ่งขโมยของมีคนจับได้เอาไปให้พระราชาพระราชาจึงเรียกมาซักถามว่าทำไมถึงขโมยของคนอื่นก็รู้ว่าอดอยากมากจึงจำเป็นต้องขโมยไปเลี้ยงครอบครัว พระราชาจึงประทานทรัพย์ให้เอาละสิขโมยของแล้วได้ประทานทรัพย์ท่านเดาออกรือว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปเริ่มเกิดคนที่สองทันทีคนที่สามทันทีพอคนที่สามพระราชาสั่งตัดหัวเลยหลังจากนั้นอายุมนุษย์ท่านเขียนไว้เป็นลำดับเลยว่าเหตุที่ทำให้อายุมนุษย์ลดลงเรื่อยๆเพราะอะไร แต่ตรงนั้นไม่เป็นไรล่ะแต่มีเรื่องน่าแปลกใจอันหนึ่งที่ผมมักจะติดใจเวลาเห็นอยู่เรื่อยๆก็คือว่าตอนที่มนุษย์มีอายุ 5,000 ปีมีคนคนหนึ่งพูดคำหยาบแล้วก็พูดเพ้อเจ้อคนแรกตอนนั้นอายุ 5,000 ปีคนแรกพูดคำหยาบเพ้อเจ้อในวันนั้นจากนั้นการพูดคำหยาบและก็การพูดเพ้อเจ้อ เริ่มกระจายออกไปเป็นวงกว้างผู้คนเริ่มทะเลาะ ก, กันจากวันนั้นอายุมนุษย์ลดลงจาก 5, ห้าพันเหลือสองพันห้ารอยวันนี้การพูดคำหยาบพูดเพอ้อเจ้อเป็นเรื่องปกติในสมัยนี้แนละ้วเดี๋ยวผมจะให้ท่านเห็นว่าพรดเจ้าตรัสเราให้ว่ายังไงตอนที่เบีย ว่าด้วยอายุไขกกำหนดอายุไข่สิบปีดูก่อนภิกษุทั้งหลายจากถึงคราวที่มนุษย์เหล่านี้มีบุตรอายุเพียงสิปีในเมื่อมนุษย์มีอายุเพียงสิปีเด็กหญิงมีอายุห้าปีก็มีสามีกันดูก่อนภิกษุทั้งหลายในเมื่อมนุษมีอายุสิบปีรถเหล่านี้คือเนอยใสยเนยข้น น้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อ้และเกลือจากอันตรธานไปสิน้นในเมื่อมนุษย์มีอายุสิบ ป, ปีหญ้ากับแก่จักเป็นอาหารชั้นยอดเปรียบเหมือนข้าวสุก ข, ข้าวสาลีเจือกับเนื้อสัตว์เป็นอาหารชั้นยอดในบัดนี้ชั้นใดในเมื่อมนุษย์มีอายุสิบ ป, ปีหญ้ากับแก่ ก็จักเป็นอาหารอย่างดีฉันนั้นเหมือนกันแหละพิกสุทั้งหลายเมื่อถึงวันที่มนุษย์มีอายุลดลงไปจนเหลือ1ิปีเนี่ยวันนี้มนุษย์อายุลดลงไปเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับเราจะสังเกตว่าผู้เจ้าตรัสว่าข้อสังเกตคือหนึ่งผู้หญิงจะมีบุตรที่อายุห้าขวบ แต่ไม่ใช่ห้าขวบแล้วตัวเล็กๆแบบของเรานะครับท่านลองนึกว่าตอนที่มนุษย์มีอายุสองหมื่นปีเนี่ยถ้าผู้เจ้าองค์นั้นบอกว่าอนาคตมนุษย์จะมีอายุเจ็สิบห้าปีเหมือนวันเนี้ยแล้วเขาก็จะแต่งงานมีลูกกันที่ยี่สิบปีตอนที่เขาอายุสองหมื่นปีเขาคงขำเหมือนกันสองยี่สิบปีอะไรมีลูกกันแล้วเหรอเพราะพวกเขาอยู่กันตั้งสองหมื่นปีอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันจึง ตอนที่มนุษย์มีอายุ10ปี5ขวบคงโตแล้วล่ะโตเหมือนพวกเราอายุ20เนะี่ยแต่ว่าไลฟ์ฟอร์มมันสั้นมากนะครับอายุสั้นมากที่ผมบอกว่ายากับแก้เนี่ยที่พระเจ้าตรัสว่ายากับแก้แก้ก็คือยา่าตุกแก่ช่วงนั้นเนยขนเนยเนยขน้เนเลยใสยอะไรก็จะหายไปอันตรธานหายไปหมดเลยแต่ยากับแก่ อาหารข้าวสุกเนื้อสัตว์ชั้นดีหรือว่านมเนยอะไรเนี่ยไม่มีอะไรเหลือเลยมันก็น่าสังเกตนะว่าสัตว์หายไปไหนหมดแล้วทำไมเหลือแต่แบบนั้นคือปรมามนูนิวเคลียร์อะไรคงผ่านกันจนวินาศหมดแล้วนะครับคงไม่มีอะไรเหลือแล้วตอนนั้นเพราะอายุสิบปีเนี่ยมันคือวัตถุลายแล้วเดี๋ยวท่านฟังไปเรื่อ ย, อยจะรู้ว่านั่นคือจุดสุดท้ายของมนุษย์แล้ว ดูก่อนภิกษุทั้งหลายในเมื่อมนุษย์มีอายุสิบปีกุศลกรรมบทสิบจากอันตรธ า, านไปโดยประการทั้งปวงอกุศลกรรมบทสิบจากรุ่นเรืองอย่างยิ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายในเมื่อมนุษย์มีอายุสิบปีแม้แต่คําว่ากุศลก็จักไม่มีคนทํากุศลจักมีแต่ที่ไหนดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ในเมื่อมนุษย์มีอายุสิบปีคนที่ไม่ปฏิบัติชอบในมานดาไม่ปฏิบัติชอบในบิดาไม่ปฏิบัติชอบในสมณะไม่ปฏิบัติชอบในพรามไม่ประพฤติอ่อนน้อมต่อท่านผู้ใหญ่ในตระกูลจกได้รับการบูชาและได้รับการสรรเสริญเหมือนกับคนที่ปฏิบัติชอบในมานดาปฏิบัติชอบในบิดาปฏิบัติชอบในสมณะ ปฏิบัติชอบในพราหมณ์ประพฤติอ่อนน้อมต่อท่านผู้ใหญ่ในตระกูลได้รับการบูชาได้รับการสรรเสริญในบัดนี้ฉะนั้นตอนนี้ใครดูแลพ่อแม่ก็จะได้รับการสรรเสริญแต่ตอนนั้นการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต่อบิดามารดาจะไม่มี ท่านก็บอกว่าอกุศลครมบท10บก็จะเจริญรุ่งเรืองก็แปลว่าศีลห้าอันตรธานหายไปจากแผ่นดินทุกคนทําผิดศีลห้ากันเป็นปกติทําผิดกันเป็นปกติเลยทุกคนละเมิดศีลห้ากันเป็นปกติคําว่าคุศลไม่มีจะหาคนทําคุศลมาจากไหนท่านก็ตัดเอาไว้คือวันนี้อะไรที่เริ่มวันนี้ก็เริ่มมีการเกิดขึ้นแล้วละ่ะสังเกตดูว่าถ้ามีหนึ่งเดี๋ยวจะมีทั้งหมด มันจะลามไปเรื่อยๆการทําผิดเนี่ยเวลามันเริ่มก็ถ้ามายินหนึ่งเนี่ยมันจะลามไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันครบทั้งแผ่นดินอย่างเช่นอการไม่เคารพต่อพ่อแม่เนี่ยตอนนี้ในเว็บไซต์หรือว่าในที่เข้าไปโพสต์เนี่ยที่ส่งๆกันมาว่าใครส่งเอก็ปปอมแลใครส่งให้อ่านถ้าไม่มีปัญญาซื้อไอโฟนให้หนูอย่ามาเป็นพ่ออะไรเนี้ยคือ พ่อไม่ซื้อ iPhone ให้ลูกลูกสาวลู ก, กเอาพ่อไปเขียนด่าไปโพสตไว้ในเว็บด่าซะเช็ดเลยคนก็ลุมด่าเด็กผู้หญิงเนี่ยว่านิสัยไม่ดีไอ้ผู้หญิงก็ลุมด่วก็ด่ากลับด่ากันไฟแลบเลยนะในเว็บเนี่ยสุดท้ายมันจบยังไงจบพ่อต้องซื้อ iPhone ให้พยศสุดขีดเสร็จแล้วมันลงไปต่อว่าเป็นไงล่ะสุดท้ายพ่อก็ต้องซื้อให้อยู่ดีซื้อให้ตั้งแต่วันแรกก็สิ้นเรื่องไม่ต้องมานั่งทะเลาะ ก, กัน แล้วเป็นไงพวกที่ด่าหนูจอยไมยล่ะมันก็ต้องแบบนี้แหละพ่อถึงจะยอมทีหลังไม่มีปัญญาก็อย่ามาเป็นพ่อหนูไม่มีปัญญาซื้อไอโฟนให้หนูอย่ามาเป็นพ่อต่อไปคนอย่างนี้จะได้รับ ก, การยกย่องทั้งแผ่นดินดูภาพไว้ก็แล้วกันดูก่อนภิกษุทั้งหลายในเมื่อมนุษย์มีอายุสิบปีจกไม่มีความนึกคิดกันว่านี่แม่ นี่นานี่พ่อนี่อานี่ป้านี่ภรรยาของอาจารย์หรือว่านี่ภรรยาของท่านที่เคารพทั้งหลายสัตว์โลกจากถึงการสมสู่ปะปนกันหมดเหมือนกับแพะไก่สุกรสุนักบ้านสุนัขจิ้งจอกฉะนนั้นอันนี้ยิ่งหนักเลยนะครับพ่อสมสู่กับลูกสาวแม่สมสู่กับลูกชายท่านฟังแล้วท่านรับไม่ได้ แต่อนาคตมันจะเป็นอย่างนี้ไปหมดเลยมันจะสมสู่ปะปนกันนี่พระเจ้าตรัสเลยแพะแกะมาลาเหมือนกันเลยทีนี้ภูมิของจิตมนุษย์จะลงต่ำลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งเหลวแหลกอ่ะถึงตอนนั้นไม่ต้องห่วงท่านจะเห็นแล้วว่าอากุศลจะเต็มรูปหมดตัวกูอะไรทุกอย่างกิเลสจะเข้าครอบงํามนุษย์ทั้งหมดเลยวันนี้ยังดีว่ามีคนที่มีใจกุศลอยู่แต่ เราก็จะเริ่มเห็นข่าวที่มันเริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆแล้วมันจะมากขึ้นเรื่อยๆแล้วมันจะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับดูก่อนภิกษุทั้งหลายในเมื่อมนุษย์มีอายุสิบปีมนุษย์เหล่านั้นต่างก็จะเกิดความอาฆาตความพยาบาทความคิดร้ายความคิดว่า ความคิดจะฆ่าอย่างแรงกล้าในการและกันมนุษย์มานดากับบุตรก็ดีบุตรกับมารดาก็ดีบิดากับบุตรก็ดีบุตรกับบิดาก็ดีพี่ชายกับน้องสาวก็ดีน้องสาวกับพี่ชายก็ดีจะเกิดความอาฆาตความพยาบาทความคิดร้ายความคิดจะฆ่ากันอย่างแรงกล้า เหมือนอย่างในพลานเนื้อเห็นเนื้อเข้าเกิดความอาฆาตความพยาบาทความคิดร้ายความคิดจะฆ่าอย่างแรงกล้าฉะนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายในเมื่อมนุษย์มีอายุสิบ ป, ปีจกมีสัตถันตรรกับเจ็ดวันมนุษย์เหล่านั้นจักสำคัญกันเองว่าเป็นเนื้อสัตว์ราทั้งหลายอันคมจะมีปรากฏอยู่ในมือพวกเขา พวกเขาจะฆ่ากันเองด้วยสัตราอันคมนั้นโดยสำคัญว่านี่คือเนือ้อนี่คือเนือ้อดูก่อนภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นมนุษย์เหล่านั้นบางพวกจะมีความคิดอย่างนี้ว่าพวกเราอยากฆ่าใครและใครก็อยากฆ่าเราอยากระนั้นเลยเราควรเข้าไปยังที่มีหญ้ารกๆป่ารกๆต้นไม้รกๆ เกาะกลางน้ําหรือซอกเขามีรากไม้และผลไม้ในป่าเป็นอาหารเลี้ยงชีวิตอยู่เถิดดังนี้แล้วก็พากันเข้าไปยังที่ที่มีหญ้ารกๆป่ารกๆต้นไม้รกๆเกาะกลางน้ําหรือซอกเขามีรากไม้และผลไม้ป่าเป็นอาหารเลี้ยงชีวิตอยู่ตลอดเจ็วันเมื่อล่วงเจ็ดวันไปพวกเกาะพวกเขาพากันออกจาก ยังที่มีไร่หญ้ารกรกป่ารกรกต้นไม้รกรกเกาะกลางน้ำหรือซอกเขาแล้วต่างก็สวมกอดกันและกันขับร้องดีใจอย่างเหลือเกินในที่ประชุมว่าท่านผู้เจริญเราพบเห็นกันอีกแล้วท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านยังมีชีวิตอยู่พระพุทธเจ้าก็เห็นภาพ ว่าเมื่อถึงวันที่มนุษย์หน้ามืดเราจะเห็นว่าเหตุการณ์อย่างนี้เกิดทั่วโลกนะครับไม่ได้เกิ ด, กดแต่ชาวอะไรทั้งนั้นเวลาเกิดจราจนหรือว่าการชุมนุมหรือการชุลมุนอะไรทั้งหลายที่มนุษย์สามารถทำได้เกินกว่าเ ร, วเราคาดไม่ถึงสามารถฆ่าฝั่งตรงข้ามทำร้ายเผาคือทาทุกอย่างไม่น่าเชื่อว่านี่คือสิ่งมนุษย์ทาได้ แต่ว่าเมื่อโทสะเข้าประกอบจิตอย่างเต็มรูปแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นสัตว์นรกทันทีผมถึงบอกว่ามันเปลี่ยนภูมิเป็นสัตว์นรกกันหมดตอนนั้นมนุษย์จะไม่เห็นอะไรเลยเหมือนในผ่านล่าเนื้อเลยที่ไล่ฆ่าแบบไม่มีความปราณีอีกต่อไปเจ็ดวันผู้เจ้าบอกหมดก็จะเหลือแต่คนที่หนีตายเข้าไปอยู่ตามป่าลกๆยาลกๆเจ็ดวันก็ค่อยๆออกมาแล้วก็สวมกอดกันเธอยังไม่ตายเธอยังไม่ตายหลังจากนั้นคนกลุ่มนี้ก็จะเริ่มกลัวจะเริ่ม เห็นส <necessary. S 2> <He Box. S 1> mm ิ่งที y, city, ่เจ็บปวดมาหลังจากนั้นมนุษย์จะค่อยๆค่อยๆมีอายุมากขึ้นวันนี้เราจะเห็นแล้วว่าเมื่อตั้งแต่ตอนเปิดหลักสูตรเรื่องอาณาปณสติเมื่อไหร่ก็ตามที่จิตใจเต็มไปด้วยอกุศลเนี่ยท่านลองนึกดูว่ากายจะทำงานหนักมากหลังจากนั้นมนุษย์อายุของมนุษย์จะสั้นลงเรื่อยๆนะครับด้วยการที่รูปนามเนี่ยทำงานหนักมาก มันเครียดมากแล้วเต็ไมไปด้วยองค์สจากอายุแสดงว่าคนที่อายุแบบแปดหมื่นปีอะไรเงี้ยคือคือเดี๋ยวท่านท่านเติท่านตัดเอาไว้ว่าคือความเครียดความทุกข์ในมนุษย์เนี่ยมีอยู่แค่สองสาอย่างหนึ่งคือวันนี้ไม่รู้จะกินอะไรสองวันนี้ไม่อยากกินอะไรความทุกข์ของมนุษย์ตอนที่แปดหมื่นปีมีอยู่แค่เนี้ยไอยเรื่องกังวลแบบที่เราเป็นไม่มีเลย เพราะไอสิ่งที่เราทุกได้ทั้งวันเนี่ยมันถึงแทาให้เราเหลือแค่เนี่ยเราเหลือแค่เนี่ยแล้วเรากําลังจะลดลงไปเรื่อยๆรุ่นลูกรุ่นลูกที่อกุศสมากขึ้นแล้วก็เสพติดมากขึ้นก็จะต่ําลงไปเรื่อยๆว่าด้วยการเสด็จอุบัติแห่งพระเมธไตรพุทธเจ้าดูก่อนภิกษุทั้งหลายในเมื่อมนุษย์มีอายุแปดหมืนปีพระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงพระนามว่าเมตไตรจากเสด็จอุบัติขึ้นในโลกทรงเป็นพระอร ห, รหรันตัดสรู้ชอบถึงพร้อมด้วยวิ ช, ชาและจรณ ะ, สะเสด็จไปดีแล้วทรงรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าทรงเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานแล้ว เป็นผู้จำแนกธรรมเหมือนเราตถาคตที่อุบัติขึ้นแล้วในโลกนี้เป็นพระอราหันต์ตัดสรูรร้เองโดยชอบถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณนะะเสด็จไปแล้วสเสด็จไปดีแล้วรู้แจ้งโลกเป็นสารถิฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานแล้ว เป็นผู้จำแนกธรรมเชนั้นเราจะเห็นกราฟที่ลงมาจนเหลือสิบแล้วพังงกขึ้นไปใหม่จนถึงแปดหมนแล้วก็จะมีพระศีอริยเมตไตรมาตรสรุ้อีกครั้งเพราะฉะนั้นแสดงว่าใครก็ตามที่ชอบอธิษฐานว่าขอให้เกิดในยุคพระศีอริยเมตไตร ท่านจะต้องผ่านจากวันนี้ลงไปจนถึงมนุษย์อายุสิบปีแล้วก็วกกลับขึ้นไปมนุษย์จะเริ่มสร้างคุณงามความดีและใจเป็นกุศลมากขึ้นเรื่อยๆอายุของมนุษย์จะเพิ่มขึ้นจากสิบจนถึงแปดหมื่นท่านคิดว่ามันใช้เวลาเท่าไหร่ะ่ะผมไม่ทราบช่วงเวลานั้นน่ะที่จะยาวนานมากกว่าที่จะมีพระศิริยะิมไมตรัยมาดาสรู้อีกครั้ง พระพุทธเจ้าทั้งในอดีตอนาคตปัจจุบันล้วนแต่ตรัสรู้อริยสัจสีภิกษุทั้งหลายพระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ใดๆ ไ, ได้ตรัสรู้ตามเป็นจริงไปแล้วในการยืดยาวนานฝ่ายอดีตท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้ตรัสรู้ตามเป็นจริงซึ่งความจริงอันประเสริฐสีอยา่าง ภิกษุทั้งหลายพระอรหันต์ตัสมมาสัมพุทธเจ้าองค์ใดๆจะได้ตรัสรู้ตามเป็นจริงต่อการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็จะได้ตรัสรู้ตามเป็นจริงซึ่งความจริงอันประเสริฐสี่อย่างภิกษุทั้งหลายแม้พระอรหันต์ตัสมมาสัมพุทธะผู้ตรัสรู้ตามเป็นจริงอยู่ ในการเป็นปัจจุบันนี้ก็ได้ตรัสรู้อยู่ซึ่งความจริงอันประเสริฐ4อย่างความจริงอันประเสริฐ4อย่างเหล่าไหนเล่า4อย่างคือความจริงอันประเสริฐคือทุก์ความจริงอันประเสริฐคือเหตุให้เกิดทุกความจริงอันประเสริฐคือความดับไม่เหลือของทุก์และความจริงอันประเสริฐ คือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ต่อจะรู้เรื่องเดียวกันครับถ้าหากวันนี้อริยสัจสีก็มีอยู่อริยมรรคเียองแปดก็มีอยู่ปฏิจจสมุปบาทก็มีอยู่ทำไมต้องรอให้ถึงวันนั้นซึ่งจะต้องใช้เวลาอีกนานมาก กว่าพระศริเรียมตไตรจะมาตรัสรูแล้วแน่ใจหรือเปล่าว่าเราจะเป็นคู่บารมีกับท่านเราจะสร้างบุญบารมีไปทันพอดีในยุค ข, ของพระสมณพวดมพระพุทธเจ้าของเราตอนนี้เนี่ยนี่ล่วงมาแล้ว 2,500 ปีนะครับหลังจากท่านปรินิพานถือว่าโชคดีมากที่ศาสนายังคงอยู่ แต่ในยุคพระศิยาริยเมตรัยเนี่ยศาสนาจะจบในวันที่ท่านปริทิพานเลยคือปริทิพานปั๊บศาสนาพุทธจบวันนั้นเลยไม่มียืดยาวออกไปนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าคนที่จะเกิดแล้วก็ตรัสรู้แล้วก็บรรลุธรรมในช่วงนั้นจะต้องเกิดพอดีเปะ๊ะจะยาวนานแค่ไหนก็ตามแต่นั่นคือหนึ่งไลฟ์หนึ่งชีวิต ซึ่งแตลว่าต้องลงพอดีเจอกันพอดีไอของเราเนี่ยหลุดมา 2,500 ปีแต่ยังโชคดีได้ยินอริยสัจได้ยินอริยามรรคอยู่นี่ไม่มีพระบงแล้วแต่ก็ยังเหลืออริยามรรคให้เราเดินตามแต่ถ้าวันนั้นต้องพอดีจริงๆนะครับแล้วจะรออะไรอ่ะในเมื่อมรรคมีองค์แปดอยู่ตรงนี้แล้ว่ทําไมต้องผัดไปวันชาติไหนอีกล่ะทําไมไม่เริ่มต้นเป็นชั้นตอนนี้อ่ะ ใครจะไปรู้ว่าชาติที่แล้วท่านก็อาจจะพูดอย่างเนี้ยเอาไว้ชาติหน้าแล้วกันชาตินี้ท่านคงไม่พร้อมหรอกนี่มาถึงชาตินี้แล้วท่านก็จะปัดไปชาติหน้าอีกเหรอถ้าชาติหน้าไม่ได้อัตภาพนี้ล่ะแล้วเกิดมาไม่รู้ว่าจะมีอยู่หรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยแล้วเกิดเกิดทํากรรมทําเวรอะไรไว้เปิดปรามาสเคยปรามาสอะไรไว้แค่ดันออกไปจากประเทศที่มีพุทธศาสนาก็เสร็จแล้วนะ คนหกพันล้านคนมีคนได้ยินเรื่องนี้กี่คนล่ะแค่ดันออกไปให้พ้นตรงนี้ก็เสร็จแล้วกรรมจัดสรรให้ไปอยู่ตรงไหนที่ไม่ได้ยินก็จบแล้วเสร็จเลยนันคู่บาอาจารย์ท่านหนึ่งท่านาบอกว่าโอ้โหหลุดไปสามสิบชาติเลยถอยไปดูเพราะว่าเคยปราโมทาพระรหัมเข้าไปทีเดียวหลุดไปนอกาศาสนาเลยสามสิบชาตินี่อาศัยว่าเคยทา กุศลในาศาสนาพุทธมันเยอะมากดึงกลับมาแล้วก็มาวกกลับกลับมาบรรลุธรรมได้แล้วหลุดไปสามสิบชาติเลยไม่ได้ยินไม่ได้ฟังอีกเลยท่านใครจะไปรู้ล่ะชาตินี้ยังพระเจ้าถึงได้ตัดไว้ของหายากทั้งหมดเราได้แล้วนะครับท่านอย่าเสียเวลาทักหน้าต่างตาทําไปเลยใครได้แค่ไหนก็ให้เต็มกําลังของตัวเองอ่ะนะครับใครจะไปรู้ได้ว่าใครจะได้แค่ไหน เดี๋ยวเรากลับพระจะได้ไปพักผ่อนแบบสามทุอะระหังสัมมาสัมพุทโททธภะคะวะภูตังภะคะวันตังอภิวาเทมิ สวากาโตภควตาธรมโมธรรมมาณมาสมีสุปฏิปันโนภควโตสาวกสร้างโคสร้างขามามี